50 languages. Eighty-one. Ekyaasi. a d h i k และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบอ่านเขาได้ य य อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับและเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มเธออ่านหนัง ता อหนึ่ หยิบเลยนะเขาได้หยิบบุหรี่1มวนอุสเนอีกซิเกรตเลเธอได้หยิบช็อกโกแลต1ชิน้นอุสเนช็อกโกแลตได้อีกทุกดาลยาเขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์โอ้เบวฟาสีปร่โอลลดกิวัฟาดาร์สี เขาขี้เกียจแต่เธอขยันโออาลซีซีแร่โอ้ลดกีิเมนตีซีเขาจนแต่เธอรวยโอ้กบดีซีแร่โอ้ลดกีิตานวานซีเขาไม่มีเงินมีแต่นี่โอ้ न, สกอล์เพเซ่ไนส์ซันสโก้โอ้สเดซร์คราจาศี เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายอสิสมัตสกบัดิสมสิีเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวอสล ส, ล ต, ส, ส, สลตาสกอสลตาเขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ โอ้สันตุนสต์นัยสีสักโก s ส n นตุสต์สีเขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์โอคุ่นนัยสีสักโก้ดุขีสีเขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตรโอ้มิลาปะะนัยสีสักโกรุกขสี